สา8จดหนึ่งแปดฟังเทศแล้วรู้กายรู้ใจไปวงเล็บเปิดยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้ารอยห้าสิบเอ็ดในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสิบแปดวงเล็บปินฟังหลวงพ่อแล้วงงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฟังแล้วไม่งงนั่นแหละแปลกที่ฟังแล้วงงเพราะฟังไปคิดไปถ้าฟังเล่นๆแค่ได้ยินเสียงกระทบหูไปแล้วใจของเราขำบ้างเครียดบ้างงงบ้างตามรู้ของเราอยู่อย่างนี้ไม่มีปัญหาแล้ว การภาวนาอย่างนั้นใช้ได้แล้วอย่างนั้นเรียกว่าฟังเป็นเวลาคนที่ฟังทาและบรรลุธรรมในขณะฟังนี่เขาไม่ได้รู้เรื่องนะเขารู้กายรู้ใจของเขาไปในขณะที่ฟังธรรมทีนี้พอธรรมะที่ครูบาอาจารย์หรือที่พระพุทธเจ้าแสดงมันตรงกับใจเขาตรงที่ติดขัดอยู่พอดีจิตมันจะตื่นตัวขึ้นมาฟังแล้วปิ๊งเลยอย่างพระสารีบุตรเนี่ยนั่งพัดเห็นไหม ท่านนั่งพัดพระพุทธเจ้าท่านพัดไปแล้วฟังพระพุทธเจ้าสอนทีคะนาาัะสอนเรื่องเวทนาในวงเล็บเวทนาปริคหาสูตรฟังไปเรื่อยเลยในที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านตั้งใจฟังเหมือนฟังเล็กเชอร์นะพระพุทธเจ้าสอนอะไรโจทย์จทย์ยุคนี้ไม่ต้องจดเอาเอ็มพีสามมาวางแล้วก็ใจลอยไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวกลับบ้านก็ฟังได้อย่างนั้นไม่บรรลุหรอก ฉะนั้นฟังไปแล้วรู้กายฟังไปแล้วรู้ใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งบรรลุเองนะ